เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่มนใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ งได้มาวัดเพื่อมาทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นการเข้าหาสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่จะ่วาสิ่งที่เป็นผู้ที่จะนำทางให้เราได้ก้าวไปสู่ความสุขความเจริญ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายผู้ที่เราเข้ามาหาก็คือพระบรมรส า, าสดานี่เองคำว่าพระรมรสาสดาก็คือเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดในไตรพงในไตรโลกธกาตุโลกของการเวียนว่ายตายเกิด คือรูปภพอรูปภพและกายภพในบรรดาผู้ที่เหวียนว่าตายเกิดในไตรภพทั้งสานี้ไม่มีใครจะมีความรู้ความฉลาดเท่ากับพระรมศาสดาของพวกเราก็คือพระพุทธเจ้าที่เรายึดเป็นครูเป็นอาจารย์นี่เอง พ่อเป็นผู้ที่มีความรู้มากที่สุดรู้มากกว่าใครทั้งหมดเพราะความรู้ของพ่อองค์นี้เป็นความรู้ที่ไม่มีผู้ใดจะสามารถเข้าไปถึงได้ศึกษาได้ด้วยตนเองนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นและความรู้นี้แหละที่ทำให้พวกเรา ได้เข้าหาพระพุทธเจ้ากันเพราะไม่มีใครสามารถให้ความรู้อันนี้แก่เราได้ครูบาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้ที่สอนในวิชาต่างๆนั้นรู้เพียงวิชาที่ตนเองถนัดแต่ไม่รู้หมดและไม่รู้วิชาที่จาเป็นต่อการ นำพาผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้หลุดพน้นออกจากกองทุกแห่งการเงินไห้ตายเกิดได้มีความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพน้นได้พระองค์จึงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เป็นผู้ที่สอนสัตว์โลกได้หมดผู้ที่อยู่ในภาวะที่จะมารับความรู้ได้เช่นมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่มีใครสอนเทวดาได้มีแต่พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้มีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้นั่นเอง มนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะสอนได้กับพวกมนุษย์ด้วยกันแต่จะไม่สามารถสอนให้กับพวกกายทิ่ต่างๆคือพวกเทวดาได้เพราะองค์จึงเป็นศัทธาเทวามนุษย์สานนาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและเป็นโลกวิทู รู้กับวิถูก็คือผู้รู้โลกรู้ความจริงของโลกของการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้รู้ว่าผู้ที่ยังหลงอยู่กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะต้องติดกับอยู่ ก, กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพอไม่รู้ความจริง ของโลกกะระมทั้งแปดโลกกะระมทั้งแปดนี่แหละเป็นเหมือนกับดักที่จะจับสัตว์โลกทั้งหลายให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์นั่นเองโลกกะระทำแปดคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญสุตรนะและ ความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขเป็น4คู่8ดอย่างด้วยกันคือการเจริญลาบเสื่อมลาบ1คู่การเจริญยศเสื่อมยศ1คู่การเจริญสารเสริญแล้วก็การเจริญนินทาสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันและความสุข กับความทุกข์ก็เป็นของคู่กันเพราะความสุขก็มีควันเสื่อมได้เวลาเสื่อมความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่สัตรเสร์ญก็เสื่อมได้เวลาสัตรเสร์ญเสือเส่อม น, นินทาก็เข้ามาแทนที่นี่คือโลกธรรมแปประการที่สัตว์โลกไม่รู้ทัน ไม่เข้าใจจึงหลงติดอยู่เพราะติดอยู่กับความเจริญในลาบยศสรรเสริญในความสุขที่จะได้นับจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มองไม่เห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นอนิจจงคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ถาวร ไม่คงอยู่เหมือนเดิมมีการเจริญมีการตั้งอยู่แล้วก็จะมีการดับไปเป็นธรรมดาเวลาสิ่งต่างๆที่สัตว์โลกได้มายินดีมายึดติดเช่นลาบยศสรรเสรินสุขพอเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาเสือ่อมหรือหมดไป เวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ก็ไม่เข็ดไม่ไม่จำเวลาเสื่อมรากก็พยายามที่จะไปหารากใหม่มาเวลาเสื่อมยศก็จะพยายามไปหายศใหม่มาเวลาเสื่อมสรรเสริญก็พยายามที่จะไปหาสรรเสริญใหม่เวลาเสื่อมความสุขก็จะพยายามไปหาความสุขใหม่ หามาได้เท่าไหร่มันก็ต้องเสื่อมไปเวลาเสื่อมก็ต้องทุกข์ร้องห่มร้องไห้กันไม่ไม่เห็นความจริงว่ามันเป็นทุกข์กันมีพระพุทธเจ้านี่แหละพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่เห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นความทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้น ไม่มีใครสามารถที่จะครอบครองเอาไว้เป็นของของตนได้ไปตลอดเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสมบัติผัดกันชนแต่ก็ไม่มีความเข็ดลาบไม่มีความสํานึกในความจริงอันนี้สูญเสียไปเท่าไหร่ก็พยายามหากับมาหาใหม่ตายจากโลกนี้ไป ก็ยังมีความติดใจอยู่กับการหาลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ก็จะกลับมาเวียนว่าตายเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระบรมบศาสดาผู้ที่จะสอนวิธีให้พวกเราสามารถยุติความติดกับ ของลาบยศสารเสริญสุขได้สอนให้เรารู้จักปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วใจของเราก็จะได้ไม่ทุกข์ใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บกับการแสวงหาลาบยศสารเสริญสุขนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนพวกเราก็จะ หลับหูหลับตาหาแต่ลาบยศสารเสริญสุกันไปเรื่อยๆสูญเสียไปเท่าไหร่ก็ไม่หยุดไม่เข็ดทุกเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดพอพอเสียอะไรไปก็ต้องหามันมาใหม่เสียเงินทองไปก็หามาใหม่เงินทองหมดก็หามาใหม่ตำแหน่งหมดก็หามาเช่นเป็นสอสอ พอหมดตำหน่งก็ไปสมัครรับเลือกตั้งใหม่เป็นรัฐมนตรีใหม่พอหมดวาระก็กลับไปเลือกตั้งใหม่ไปสแสวงหาใหม่เวลาสแสวงหาก็เหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากลำบากเวลาได้มาก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยวิตกกังวลและเวลาหมดไปก็เสีย อ, อกเสียใจ แล้วก็ต้องหาใหม่เพราะว่าใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจไม่มีอะไรเป็นความสุขให้ความสุขแก่ใจเลยต้องออกไปหาลาบยศสารเสริญสุขกันสุขภายนอกใจสุขที่ได้จากทางร่างกายที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเพราะร่างกายก็ไม่เที่ยง สิ่งที่ร่างกายหามาก็ไม่เที่ยงเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่ความสุขที่ได้ก็หมดไปได้มาใกล้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปหามาใหม่นี่คือเรื่องของการติดกับอยู่กับลาบยศสรเสร์ญสุข ทำให้ต้องกลับมาหาลาภยศสารเสริญสุขอยู่เรื่อยๆตายไปกี่พบกี่ชาติก็กลับมาเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็มาหาลาภยศสารเสริญสุขใหม่ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องการหาลาภยศสารเสริญสุขนี่ทุกคนมีความปรารถนาเหมือนกันหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นกับดักของความทุกข์ พราะผู้ที่มาติดกับลาบยศสรเสริญสุขก็จะต้องร้องผมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ลาบยศสรเสริญสุขนั้นเสื่อมไปนี่คือความมืดบอดที่ครอบงมจิตใจของสัมโลกเพราะไม่มีแสงสว่างของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราได้เข้าหาความสุขที่แท้จริงกัน ความสุขที่แท้จริงนี้มีอยู่ในใจของเราเราไม่ต้องออกไปหาความสุขข้างนอกใจเหมือนกับเรามีความสุขอยู่ในบ้านเราก็ไม่ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกบ้านแต่ถ้าเราไม่มีความสุขอยู่ในบ้านเราก็ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านกันฉะนั้นใดใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้ใจของเราไม่มีความสุขกัน เราจึงต้องออกไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะกันแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นของเรามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเราเวลาเราได้มาเราก็ดีใจเวลาเราเสียไปเราก็เสียใจแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้หมด ไปไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้จากเราไปไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเรายัางติดกับเขาอยู่ติดเหมือนกับคนติดยาเสพติดถึงแม้ว่าจะทุกข์กับการแสวงหาถึงแม้ว่าจะทุกข์กับการรักษาดูแลถึงแม้ว่าจะต้องทุกข์กับการสูญเสียแต่อย่างน้อยเวลาเกิดความอยากได้ เขามาก็ยังมีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวอย่างพวกเราทุกคนเนี้เรากำลังรอความทุกข์กันอยู่เพราะไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่พวกเราอาศัยให้ความสุขกําเรานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการจากเราไปเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางเขาได้ เรายัางยึดยังติดยังต้องมีเขาให้ความสุขกับเราอยู่เพราะเราไม่มีความสุขภายในใจพระพุทธเจ้าจึงทงสอนให้พวกเราเข้ามาหาความสุขภายในใจกันเพราะถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วเราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกใจของเรา พรความสุขใจของเหล่านี้ดีกว่าความสุขภายนอกและเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขภายนอกที่เราแสวงหากันเป็นความสุขที่จะต้องมีความทุกข์ตามมาเวลาที่เขาจากไปเวลาที่เขาเสื่อมไปเวลาที่เขาเปลี่ยนไปดังนั้น เราจึงต้องเข้าหาพระบรมศาสดาเพราะว่าท่านเป็นผู้เดียวในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้เราสร้างความสุขภายในใจขึ้นมาได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องอาศัยความสุขภายนอกเมื่อเราไม่อาศัยความสุขภายนอกเราก็จะไม่มีความทุกข์เหมือนคนที่ติดยาเสพติด ถ้าเขาติดยาเสพติดนี้เขาจะต้องมีความทุกข์เสมอเพราะเวลาที่เขาอยากแล้วเขาไม่สามารถหายาเสพติดมาเสพได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานแต่ถ้าคนที่ไม่เสพ ย, ยาเสพติดเขาก็จะไม่เดือดร้อนจะมียาเสพติดให้เสพหรือไม่เสพเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ติดเขาไม่มีความอยากที่จะเสพ สันใดผู้ที่มีความสุขภายในใจแล้วจะสามารถตัดความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขได้จะไม่เดือดร้อนว่ามีหรือไม่มีมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับมันมีก็มีไว้อย่างนั้นเองแต่ไม่ได้ใช้มันให้ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญ นี้สู้ความสุขภายในใจไม่ได้ความสุขภายในใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ผู้ใดได้ความสุขกันนี้แล้วจะไม่อยากได้อะไรในโลกนี้จะไม่อยากได้ลาบยศสารเสริญจะไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เพราะรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเสียไป เวลาเสียก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจพวกเราจึงควรเชื่อพระพุทธเจ้ากันควรที่จะเอาเวลาที่เราไปหาความสุขทางข้างนอกทางลาบยศสารเ ส, สริญให้กลับเข้ามาหาความสุขภายในใจกันเช่นแทนที่จะหาเงินหาทองก็ให้เราหยุดหาเงินหาทองกัน ถ้าเรามีเงินทองมากเกินไปเราก็ควรที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไปให้เก็บไว้เท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็พอหรือถ้าต้องหาเงินก็หาเพียงเพื่อให้มีปัจจัยสีมาเลี้ยงชีวิตนี้ก็พออย่าหาเงินมามากเกินไปเพราะจะเสียเวลาเสียเวลาในการหา แล้วก็จะมาเสียเวลากับการใช้เงินเพราะเวลาเราได้เงินมาเราก็อยากจะไปซื้อความสุขต่างๆแต่ความสุขต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความสุขชั่วคราวเวลาเงินหมดเราก็ซื้อไม่ได้แล้วเราก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหยุดใช้เงินซื้อของต่างๆซื้อความสุขต่างๆ ถ้าจะใช้เงินซื้อความสุขก็ให้ซื้อความสุขภายในใจความสุขใจที่เกิดจากการทำฐานนีเ่เอาเงินทองที่เราคิดจะไปซื้อความสุขเช่นไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นของที่เราไม่มีเราก็ไม่ตายของที่เราไม่ต้องอาศัยมันเพียงแต่เราเห็นมันสวยมย แล้วก็อยากได้เท่านั้นเองสู้เอาเงินที่ไปซื้อของเหล่านี้มาทำทานเพื่อมาซื้อความสุขใจจะดีกว่าเพราะความสุขใจจะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจนี่คือสิ่งแรกที่พู้เจ้าสอนให้พวกเรากระทำกันก็คือเอาเงินทองมาซื้อความสุขใจกัน อย่าไปเอาเงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายกันเพราะมันเป็นพิษเป็นเหมือนยาเสพติดแต่การเอาเงินไปทำทานนี้ไม่เป็นยาพิษไม่เป็นยาเสพติดทำแล้วเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อสิ่งต่างๆได้นี่คือข้อแรก ในการสร้างความสุขใจข้อที่สองของการสร้างความสุขใจก็คือให้เราอย่าไปทำบาปเพราะการทำบาปจะทำให้ใจเราทุกขใจเราร้อนความสุขจะไม่มีภายในใจเวลาใจทุกข์ใจร้อนเวลาทำบาปแล้วจะมีความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลหวาดกลัว กลัวที่จะต้องไปรับผลของบาปที่ได้ทำเอาไว้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจของเราก็จะสุขจะสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่คือการสร้างความสุข ข, ขั้นที่สองคือสร้างด้วยการละการกระทาบาป คือไม่ไปฆ่าผู้อื่นไม่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ไปไประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือบุตรทธีดาของผู้อื่นไม่ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้ใจไม่มีความสุข แล้วข้อที่สที่สอนให้เราทำกันก็คือให้เรามาทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขวิธีทำใจให้สงบก็ต้องหยุดความคิดวิธีจะหยุดความคิดก็ต้องมีสติดึงไว้สติก็คือเบรกของใจเหมือนกับเบรกของรถยนต์เวลาที่เราต้องการจะหยุดรถยนต์เราต้องเหยียบเบรก ถ้าไม่เหยียบเบรกรถก็จะไม่หยุดรถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆใจของเราถ้าเราไม่ใช้สติใจก็จะไม่หยุดคิดจะคิดไปเรื่อยๆคิดแล้วก็ไม่มีความสงบ พ, พอไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขจึงต้องมาหัดหยุดใจด้วยการเจริญสติกันสติที่เป็นเบรกของใจนี้สามารถเกิดขึ้นได้ หลายวิธีด้วยกันวิธีง่ายๆก็คือให้เรานึกถึงคาว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราคิดอยู่ถักคำว่าพุโทโธพุโทโธใจของเราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนีน้ใจก็จะว่างจะเย็นแล้วก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะไม่อยากได้อะไร ไม่อยากได้าดะลาภยศเสริญไม่อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วถ้าอยากจะทำลายความอยากได้สิ่งต่างๆอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือความจริงที่จะสอนให้พวกเราให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง เพรามันไม่ใช่เป็นของเราของทุกอย่างในโลกนี้ที่เราเรียกว่าเป็นของเรานี้เป็นของเราชั่วคราวเช่นสามีภรรยาเราอย่างนี้วันนี้เขาเป็นของเราพรุ่งนี้เขาอาจจะไปเป็นของคนอื่นก็ได้ถ้าเกิดทะเลาะกันเกิดมีเรื่องมีราวกันหรือว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเขาได้เขาก็อาจจะ ทิ้งเราไปไปหาคนอื่นแทนก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นมันก็จะเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกทุกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราทุกเพราะว่ามันเปลี่ยนได้คนที่ให้ความสุขกับเราเวลาเขาเปลี่ยนไป ความสุขที่เขาให้เรามันก็หมดไปแทนที่จะได้ความสุขก็กลับได้ความทุกข์จากเขาเช่นเวลาได้แฟนใหม่ๆก็ดีดีกันเอา อ, อกเอาใจกันแต่พออยู่ไปนานๆเข้าเขาเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนใจแทนที่จะเอา อ, อเอา อ, อกเอาใจเขาเรากลับเอา อ, อกเอาใจเราพอต่างคนต่างเอาใจกันเอาใจของตัวเองขึ้นมา ก็เกิดการทะเลาะกันเกิดความไม่พอใจกันแล้วในที่สุดก็ต้องเกิดการแตกแยกกันนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราควรพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเวลาที่เราอยากได้อะไรควรจะมองว่าสิ่งที่เราได้อยากได้นี้มันจะต้องเปลี่ยนไปมันไม่มันไม่เปลี่ยนมันก็จะหายไปได้จะจากเราไปได้ มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวเวลาเป็นของเราเราก็มีความสุขพอกลายเป็นของคนอื่นไปเราก็เราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจของเรานี่คือวิธีที่จะรักษาความสงบของใจด้วยการตัดความอยากได้สิ่งต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเรา รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็จะไม่ต้องทุกขกับสิ่งต่างๆไม่ต้องทุกกับลาบยศสารเสริญที่จะต้องมีความเสื่อมมีวันหมดไปที่จะกลายเป็นของคนอื่นไปให้มองอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือบุคคลเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าทําใจให้สงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจดีกว่าเพราะเป็นความสุขของเราอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะจะไม่เสื่อมจะไม่หมดไปจะไม่เปลี่ยนไปนี่แหละคือสิ่งที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพอท่านมาสอนแล้ว คนที่ได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็ได้รู้ได้เห็นได้พบความสุขอันนี้บุคคลเหล่านี้เราก็เรียกว่าพระอาหารหันตาสาวกที่มาทำหน้าที่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ต่อไปแทนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านก็อยู่ได้แค่แปดสิบปีพอท่านตายไปก็ต้องอาศัยพระอาหารหันตาสาวกนี้ มาทำหน้าที่เอาความรู้เอาความสุขที่แท้จริงนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปพอผู้ที่ไม่รู้ได้เรียนรู้ได้พบกับความสุขนี้ก็ทำหน้าที่ต่อกันมาอยู่เรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็จะสามารถทำหน้าที่แบบนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเรานำาเอาไปปฏิบัติเช่นเอาไปทำทานเอาไปรักษาศีลเอาไปทำใจให้สงบเอาไปทำใจให้ฉลาดให้รู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นของเราเพียงชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปถ้าเรามีการกระทำเหล่านี้อยู่ภายในใจ รับรองได้ว่าต่อไปใจของเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาจะไม่มีความอยากได้อะไรสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือปรลมัสาสดาของพวกเราปรมอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ไม่มีใครเหมือนมีหนึ่งเดียวในโลกนี้เท่นั้นที่พวกเรามีโอกาสได้มาพบปะได้มารู้จัก จึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเรามากที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคําสอนได้พบกับพระอาจานตสาวกผู้ที่ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าขอให้เชื่อขอให้พวกเราเชื่อท่านเหล่านี้ขอให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นที่สอนตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอน เพราะจะไม่นมพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงมีคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะนาพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป